มาดูว่ากรุณาเนี่ยนะถ้าถ้าเจริญกรุณาอย่างนี้มากๆไหมนี่เป็นทางแห่งพรหมโมลกด้วยซ้าไปนะถ้าเราเอามาคิดเราสาธทั้งหลายเนี่ยมีความทุกข์ขอให้เขาพ้นทุกข์นะทุกคนมีทุกข์ก็ขอให้เขาพ้นทุกข์เนี่ยนะถ้ามีความคิดอย่างนี้แล้วแผ่กระจายออกไปอันนั้นเป็นการเจริญกรุณานั่นเป็นทางแห่งพรหมโมลกนการเพ่งกรุณาชานอย่างนี้เป็นทางแห่งพรมมหมโลกน่าน่าตั้งใจน่าเจริญมาก ทุกคนเขาน่าเห็นใจเหมือนเราเลยแต่ก็นึกไมมออกว่าเออการการเจริญกรุณานี่จะเป็นจะเป็นฌานยังไงเพราะว่าเป็นโดยมากเป็นเรื่องของความหวั่นไหวนะเวลาเราเกิดกรุณาเนี่ยนะะก็ดูแลใจเราก็พลอยหวั่นไหวไปด้วยแม้แต่จะคิดจะช่วยก็ดีอะไรก็ดีนี่เนชะ่ <c oughs> นสมมติว่าเช่นสมมติอ่ะเราเลือกตัวอย่างนะผู้ใช้แรงงานในบ้านเราเนี่ยนะ เราจะเห็นว่าถ้าเราเห็นคนงานกําลังก่อสร้างเนี่ยนะเราอย่านึกว่าเขาสามารถที่จะรับเงินในตอนที่สิ้นวีคสิ้นปักได้เป็นเรื่องเป็นราวนะไม่ใช่นะครับถ้าลงไปถามดูได้เลยนะแทบทุกแห่งนะเนี่ยนะนายจ้างเนี่ยเดี๋ยวก็ออกชาไปวันสองวันอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็ได้ครบบางได้ไม่ครบมัางเนี่ยโอ้เป็นเรื่องงั้นจริงๆนะครับ ผู้รับหมาก็บอกว่าอ้าวฉันรับมาอีกทอดหนึ่งยังได้รับเงินใช่ะสิผู้รับนะบ้นอเอ้ยยังไม่ได้รับจากธนาคารมาเอาเดี๋ยวรอพิการสองวันสามวันเนี่ยนะถ้าใครเป็นนายจ้างลองดูดนะครับเราออกเชา้ามาตั้งวันแวบอกโอ้โหเดือดร้อนกันเป็ น, เ ป, นเป็นว่าเล่นเลยน ะ, ะเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าแม้วแต่ผู้ใช้แรงงานเนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่านะถ้าแรงงานตัวไปแล้วไม่ใช่ว่าจะรับเงินง่ายๆนะครับ และนี่การที่เรามาคิดเนี่ยมันก็ทําให้เราสึกมันมันก็มันเข้าแทนที่จะสงบมันก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสงบหรือเราเห็นว่าความฝนตกนี่นะเราดูแม่ค้านะถ้าฝนตกเมื่อไหร่นะครับโอ้โหแม่ค้าแทบล้องห้เลยนะวันนั้นคืนนั้นเขาขัดทุนนะเขาขัดทุนนะครับเนี่อันนี้เนี่ยเราลองมาคิดดูแล้วเราเราพอเป็นทุกข์เป็นร้อ น, นเขาไปด้วยเลยคล้ายๆว่า<อ>ไารการกรุณานการเจริญกรุณานี่ระวังศัตรูใกล้ศัตรูใกล้คือโทรศั นี่ไนะคือการเจริญกรุณาแล้วก็ต้องไม่ใช่โทสะทึ่งที่จะต้องคอยกานไอไอโทมนัตเวทนาออกไปคือการเจริญกรุณานั่ยนะคือเห็นความทุกข์คิดปลดเรื่องเขาให้พ้นทุกข์แต่ไม่ได้ไปทุกข์กับเขานไนะคือกรุณาเขาว่าเขาลําบากเขาเป็นทุกข์แต่ไม่ให้ตัวเองไปเป็นทุกข์แบบนั้นซึ่งตรงกันข้ามเนี่นะงั้นก็ลองไปเจริญดูนะเพราะว่าผู้ที่เจริญกรุณาได้ดีเนี่ยก็มีปีตินะ คือมันกรุณานะเห็นใจเขาเขาเขาทุกข์จริงๆอนะซึ่งที่ดูว่าเขาหน้าการุณาจนแม้แต่ผู้จากการุณาเขายังไม่มีเลยนะหน้าเขากรุณาการุณาขนาดไหนใช่ไหมแม้แต่เครียกว่าผู้เข้าไปกรุณาเขายังไม่ค่อยจะมีเลยนะก็ก็อย่างที่เขาถามกันว่าในโลกนี้นะใครจะเห็นใจเรามากที่สุดนะนะถ้าถ้าถ้ า, ถ, า, ถ, าถ้าเทียบกันจริงๆเลยนะแต่ละคนเนี่ยไล่ใครจะเห็นใจเรามากที่สุดเราเราคิดไปแล้วนะ ก็ตัวเองเท่านั้นแหละที่จะเห็นใจที่สุดพ่อแม่ก็ยังเห็นใจพ่อแม่ตัวเองและพ่อแม่ก็เห็นใจตัวเองเนั่นแหละมากที่สุดันนะใครจะรู้หัวอกพ่อแม่บ้งางนาะนะพ่อแม่ก็ยังร้องเรียกหาการุณา อ, อยู่ดีนั่นแหละนั่นก็แต่ละคนก็เจริญกรุณาให้แก่ตัวเองมากๆแล้วน้อมไปเจริญกรุณาแก่ผู้อื่นแต่ถ้าไม่เจริญกรุณาให้ตัวเองก่อนเนี่ย น, นะก็ยากเหมือนกันถ้าเจริญเพื่อเอาชามเนี่ยนะก็ต้องเจริญให้เห็นความที่ตัวเองน่าเห็นใจ สัตว์อื่นทั้งหลายก็น่าเห็นใจแต่ไม่ใช่ไปลงรายละเอียดซะจนการเจริญกรุณานั้นมีบัญญัติเป็นอารมณ์นะตัวนี้มีบัญญัติเป็นอารมณ์มีความทุกข์ของสัตว์เป็นอารมณ์ไม่ใช่ไปลงรายละเอียดซะโอ้โหความทุกข์ของเข้ารู้ไปทุกเรื่องเลยนะก็กลายเป็นเรื่องไม่ใช่แล้วนะกลายเป็นรับรู้แต่ปฏิฆานิมิตไปหมดซึ่งกรุณานั้นต้องไม่ลืมว่ามีบัญญัติเป็นอารมณ์ ส่วนอุเบคานะในหน้า200ออมุธิตาในหน้า244กล่าวต่อไปว่าบุคคลประกอบด้วยธรรมชาตินั้นแล้วย่อมบันเทิงหรือธรรมชาติใดย่อมบันเทิงเองหรือว่าสักว่าความบันเทิงฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่ามุธิตามุธิตานี่บันเทิงอ่ะนะ่ก็ไม่ลืมนะว่าถ้าใครรู้จักคําว่ากาลคติอุปธิประโยคะมาเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งเมตตากรุณาแลย มุทิตาได้เป็นอย่างดีถ้าเราเจริญเมตตาเนี่ยคือหวังให้สัตว์เนี่ยได้รับสมบัติสี่ประการใครที่มีพื้นฐานกรรมมกตาดีนะเขาจะมีความรู้เรื่องสมบัติสี่กับวิบัติอีกสี่ประการสมบัติสี่ประการก็คือหนึ่งคติใช่ไหม สองอุปทิสามกาละสี่ประโยนค่าถ้าปรารถนาความปรารถนาขอให้สาธทั้งหลายได้คติสมบัติปรารถนาให้ได้ไดอุปทิสมบัติตปรารถนาให้เขาได้รับกาละสมบัติปรารถนาให้เกิดเขาได้รับมีประโยนค่าที่สมบัติอันนี้เป็นเมตตา อย่างเช่นเมตตาของพ่อแม่เนี่ยนะส่งให้ลูกมีประโยคใช่ไหมส่งเรียนอันนี้เป็นเมตตาของพ่อแม่นะที่มีต่อบุตรใช่ไหมก็ส่งเสริมประโยคน์ให้ลูกมีประโยคน์ดีเพราะการการเรียนทั้งหลายเนี่ยนะวิชาในโลกส่วนใหญ่เป็นประโยคนะก็ส่งให้เขาได้รับประโยคน์ส่วนพวกกาลักอุปทีนี่ก็ของใครก็ของใครล่ะแต่ว่าปรารถนาถ้าเมตตาก็คือคิดให้เขาได้รับคติที่ดีได้รับ อุปทีที่ดีกาละที่ดีและประโยชค่าที่ดีการน้อมคติอุปทิกาละประโยค่าพวกเนี้ยไปให้เขาเนี่เรียกว่าเป็นการเจริญเมตตาแต่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเออสี่ประการนี้ดีอย่างนี้หรือขัดใช่ไหมคติวิบัติก็เช่นเกิดแนวบายอุปทิวิบัติก็คือรูปร่างกายไม่สมประกอบไม่ดีเนี่ยนะโรคภัยเป็นต้น อยู่ในกาลสมัยที่วิบัติเช่นสมัยที่ข้าวยากหมากแพงสงครามเกิดเนี่ยนะหรือประโยคา ว, วิบัติขับรถเร็วเกินร้อยแปดสิบอย่างี้วิบัติแนนะ่ขนาดนี้ก็คือเป็นต้นนะนะยกตัวอย่างว่าอาจจะได้วิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้พวกนี้ก็น้อมไปที่กาลคติอุปธิประโยคาวพวกนี้แล้วก็เหคกรุณาเขาเลยว่าเขาวิบัติสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอยู่ในวิบัติสี่ประการะนะไม่อันใดก็อันหนึ่งอนะ บางคนก็อุปทิวิบัติใช่ไหมคือสุขภาพบางคนก็ประโยค้าวิบัตนะอย่างเช่นเป็นคนสูงอายุด้วยอุปทิเขาวิบัติมากแล้วใช่ไหมร่างกายก็แย่เลยประโยค้าวิบัติอีกที่บนจริงๆเลยก็วิบัติทั้งสองอย่างเลยเนี่ยก็น่ากรุณามากนะคนสูงอายุบางทีเขาวิบัตได้สองข้อใช่ไหมเพราะฉะนั้นไปพูดมากผิดกาลอีกเสียหายตัวเองเนี่จะได้คติวิบัติต่อไปข้างหน้าอีก ในเกิดที่ไม่ดีมันก็หน้าการุณานะถ้ามองในแง่นี้สรุปธรรมมุทิตาก็คือดีใจด้วยที่เขาได้มีสมบัติสประการเช่นเขาได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ดีใจด้วยนะบันเทิงกับเขาอะ่ะเขาได้อุปทิที่ดีร่างกายที่ดีสุขภาพที่ดีก็บันเทิงไปกับเขาถ้าเขาได้รับการละที่ดีนะในยุคสมัยที่ดีเรียกว่าเป็นยุค ข, ของเขาเลยแหละ อันนี้ก็มุทิตากับเขาหรือประโยค่ดีมีความรู้ความสามารถเช่นจบโน่นจบนี่มามีความรู้ดีความสามารถดีก็บันเทิงไปกับเขาอันนี้ก็บันเทิงในประโยชคะแต่สรุปว่าทวนนะเมตตาน้อมให้เขาได้รับคติอุปธิกาลประโยค่ที่ดีน้อมไปอย่างนี้เป็นเมตตาถ้าเขาวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งก็กรุณา ธรมมุทิตาก็คือถ้าเขามีสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งก็ยินดีไปกับเขาเป็นมุติตาถ้าเป็นอุเบขาเขาจักสมควรตามคติตามอุปธิตามกาละและประโยชน์คะเพราะเขาทั้งหลายไปตามกรรมของเขาถ้าเขาได้คติที่ดีเขาก็เป็นสุขใช่ไหมคติที่ไม่ดีก็เป็นทุกข์อุปธิที่ดีก็เป็นสุขคติทีอ่อุปธิที่ไม่ดีก็เป็นทุกข์กาละที่ดีเขาก็เป็นสุขกาละที่ไม่ดีก็เป็นทุกข์ ประโยชน์ค่าดีก็เป็นสุขประโยชน์ค่ไม่ดีก็เป็นทุกข์ก็น้อมไปว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เป็นตนพวกนี้ก็น้อมไปเจริญอุเบกขาแต่พระองค์สรรเสริญเมตตากรุณาเมตตาก่อนนะเพราะว่าเมตตากรุณามุติตาได้ถึงฌานหนึ่งถึงสามถ้าอุเบกขาเนี่ยฌานที่สี่อย่างเดียวเนี่ยนะเมื่อได้ฌานที่หนึ่งถึงสมแล้วนะค่อยน้อมไปอุเบกขา แต่ก็กมีคนที่ใช้ธรรมะผิดอีกเหมือนกันนะเช่นไอ้นี่มันทําบาปเยอะนะทําไมกรรมมันจะให้ผลสักทีหนึ่งนะก็พยายามแช่งหน้าดูเลยนะก็ไม่ควรเป็นอย่างนั้นใช่ไหมก็พรหมิหารเนี่ยถ้าใช้ถูกหลักแล้วก็บาปจะตามด้วยกรรมสกตาก็เป็นทางแห่งพรหมโลกนะถ้าใครรักพรหมโลกปรารถนาจะเกิดในพรหมโลกก็ขอให้จิตดารงอยู่ในพรหมิหารซึ่ง พระมหานี่เป็นคุณธรรมที่เจริญแล้วมีผลมากมีอนิสงฆ์มากในเวลามาสูตรก็ชมมากเลยใช่ไหมในปุญญะวิปากาสูตรก็ชมว่าเธอดูความพิสูจ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าได้กลัวต่อบุญเลยเพราะบุญนี่เป็นชื่อแห่งความสุขแล้วพระองค์ก็เล่าถึงว่าพราะองค์นี้เคยเจริญเมตตาอยู่เจ็ดปีนะเจริญเมตตาอยู่เจ็ดปีเนี่ยสู่พรหมโลกเจ็ดมหากรท แล้วก็พันธะก็ถ้าเป็นเจริญเมตตาจนได้ฌานที่ที่สามจะได้ขนาดไหนอายุยืนขนาดไหนใช่ไหมก็เกิดชั้นสุภเกินหาพรหมนั่นแหละถ้าเจริญเมตตาได้จนถึงเต็มเปี่ยมเลยนะเกิดในพรหมชั้นสุภกินหาพรหมก็มีอายุหลายหลายมหากรัปอยู่แล้วพันธะมีมีใจจริงๆเนี่ยพวกเจริญพรห ม, มิหารจริงๆชีวิตเขาเป็นสุขไหมชีวิตเขาผาสุขถ้ายิ่งคนอายุมากด้วยเนี่ยควรใช้ชีวิตดํารงอยู่ด้วย พรหมวิหารถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยโทสะจะเกิดบ่อยเนนะโทสะจะเกิดบ่อยควรที่จะเจริญพรหมวิหารให้มากๆของใครตั้งใจไว้ว่าชาตินี้จะต้องเจริญพรหมวิหารให้ได้ดีแนะ่นอนเลยนะมีใครเคยสมาทานไว้บ้างไหมนะนนนก็ไม่กล้ายกมือสูงอนะยกพุงพ่งๆให้คนอื่นรู้บ้างนะก็ดีแล้วก็น้อมไปเจริญเมตตานะเจริญเมตาก็ ที่จริงก็น่าจะเจริญพอได้นะเช่นนึกถึงหนะ้อยห้าคำนะเวราอพยาปัชฌ า, านีคาสุขิีตนานังปริหรารตุเนี่ยขอให้ถ้จจเจริญให้ตัวเองก่อนใช่ไหมขอให้เราอย่าได้ขอให้เรามีความสุขขอให้เราอย่าได้มีเวรอย่าได้เบียดเบียนอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจมีความสุ ข, สขกายสุขใจบริหารตนให้เป็นสุขเถอะแล้วก็คิดเห็นใครก็คิดอย่างนี้นะขอให้มีความสุขขอให้มีความเจริญนะหรือคิดแบบง่ายๆ สุขขีธีคายุโกภะวะมีความสุขเมียยุยืนอย่างเงี้นะแล้วก็ในกรณีเมตสูตรใช่ไหมจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดอย่างงี้ยนะก็ตั้งใจขี้อย่างนี้กับทุกคนเนี่ยนะกับทุกคนทุกแห่งด้วยเนี่ยก็ก็จะได้บุญอย่างมหาศาลเนี่ยนะที่ที่สามารถเจริญได้โดยเฉพาะบนท้องถนนเนี่ยควรเจริญด้วยมากเป็นพิเศษเนี่ยนะถ้าไม่อย่างนั้นก็จะลาบากนั้นโถสาก็จะเกิดง่ายจะไม่ใน ท้องถนนเห็นรถคันไหนมาราชการให้เจ้าของคันนั้นมีความสุขนะน่าจะฝึกคิดอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆขอให้เขาเดินทางโดยสวัสดิภาพน่าจะคิดนะขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพโอยอย่างนี้จะได้บุญไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมขอให้คนที่ไปก่อนเราเดินทางโดยสวัสดิภาพ <IM> ขอให้คนไปข้างซ้ายเราเดินทางโดยสวัสดิภาพข้างขวาเดินทางโดยสวัสดิภาพขอให้ปลอดภัยนะมีความสุขกันนะก็ถ้าคิดอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆเนี่ย ถามว่าใครมีความสุขก่อนอ่ะก็คนคิดนี่ก็มีความสุขก่อนแล้วเนี่ยนะก็เรารังเกียจความสุขหรือยังไงนะทําไมไม่เจริญก็ไม่รู้ก็น่าจะให้ตัวเองได้รับความสุขที่ชอบทําบ้างนะความสุขที่ไม่มีโทษเขาเรียกว่าอับพยาปาธาสังกปะเนี่ยนะเป็นการเจริญอัพยาปาธาสังกปะเนี่ยนะในการไม่พยาบาทเนะ่ย แต่ถ้าจเจริญกรุณาก็โอ้โหเนี่ยทุกคนไปสแสวงหาหารกันหมดเลยนะเนี่ยนตะั้งความปรารถนาดีกับคนอื่นเนี่ยนะควรทำใช่ไหมอย่างที่พระองค์สอนสารานิยธรรมก็คือเมตตากายกรรมต่อหน้ารับหลังเมตตาวจีกรรมต่อหน้ารับหลังเมตตามโนกรรมต่อหน้ารับหลังเนี่ยนะก็ฝึกคิดอย่างนี้โดยเฉพาะแม้กระทั่งการจเจริญเมตตาเนี่ยนะในแวดวงคนที่ศึกษาธรรมะด้วยยิ่งจําเป็นต้องจเจริญไว้ให้มาก